บทที่132มันเป็นวินาทีดับจิตที่ทุกคนเต็มไปได้วยความโ ง, งนคลางแคลงไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นและดูจะตกตะลึงกันไปหมดในพฤติการอันใจเย็นผิดปกติของแง่ทรายเรากับจะแกล้งให้ระพินไพรวันดับดิ้นสิ้นชื่ออยู่ภายใต้เงื้่มหัดมริตายูนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะปฏิบัติการอย่างใดลงไปได้ในขณะนี้ทั้งสิ้น นอกจากภาระจำเป็นสุดยอดเฉพาะหน้าซึ่งจะทอดทิ้งละมือไม่ได้นั่นคือการช่วยกันออกแรงยึดสายเชือกไว้อย่างเต็มเหนียวป้องกันไม่ให้เจ้าเห็ดมรณะรูดดอกหายลงไปใต้น้ำได้ทุกสายตาที่จับจ้องเหตุการณ์ตาเบิกโพรงแทบจะทลนออกมานอกเบ้าด้วยความตกใจระคนงุนงงเหลือที่จะกล่าวเจ้ากระเรียโฉมงามยืนแก้บวงปลายเชือกที่รพินสั่งให้ผูกไว้ก่อนหน้านั้นออกด้วยอาการเยือกเย็นไม่รีบร้อน จนกระทั่งมันคลายเป็นเส้นยาวแล้วจึงเดินลุยน้ำเข้าไปที่ดอกเห็ดมรึกตยูที่หุบดอกอยู่ใช้สายเชือกโอพันในระดับที่ต่ำลงไปใต้น้ำอันเป็นคอรึกก้านของมันไว้ผูกเป็นบวงรัดโดยไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นพอเรียบร้อยก็หันกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้กำลังฉุดดึงของพวกพ้องบนฝั่งทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่เชือกเส้นใหมนี้ตามที่ได้นัดและตกลงกันไว หลายคนจึงเพิ่งจะเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นจากภาพที่เห็นนั้นพรานใหญ่พลาดอย่างถนัดใจที่สั่งให้แง า, ายผูกเป็นบ่วงเตรียมพร้อมไว้ก่อนหุบรัดเขาแต่ลืมคิดไปเสียแล้วว่าการเตรียมบ่วงสำหรับคล้องลงมาจากด้านบนนั้นมันไม่มีทางที่จะคล้องบ่วงลงมาถึงโคนดอกตามที่ต้องการได้เลยเพราะจะต้องติดสายเชือกชุดรังของพักพวกที่ขึงขวางอยู่ชนิดที่ไม่สามารถจะหย่อนลงมาได้ และหรือถ้ายอมย่อนเชือกเส้นที่รังเอราพินไว้ก็แปลว่ายอมให้มันฉุดเขาลงต่ำกว่าระดับน้ำนั่นเองแงใสาาจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องแก้บ่วงที่ถือเตรียมไว้แต่แรกออกให้เป็นเชือกเส้นยาวแล้วโอพันฑ์ผูกโคนดอกมันจากระดับเบื้องล่างไม่ใช่ใช้วิธีคล้องสวมลงมาจากเบื้องบนเพียงแต่ว่าเจ้าคู่ปรับของระพินปฏิบัติการของมันลงไประหว่างฉุกเฉินขีดสุด ท่ามกลางความเป็นความตายนี้อย่างใจเย็นผิดไปจากความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจของทุกคนในขณะนี้เท่านั้นใครจะนึกด่าและโกรธแค้นงเเอทไสักเพียงใดขณะนี้ก็สุดที่จะบอกได้แต่เชือกถาก็บงการในทันทีเพราะนั่นเป็นสิ่งจําเป็นเฉพาะหน้าที่ต้องการทําก่อนย้ายกำลังเร็วจากการนัดแนะซักซ้อมกันเป็นที่เข้าใจไว้ก่อนแล้วขยินพระจากสายเชือกเป็นคนแรก ระโจนเข้าควา้าปลายเชือกอีกเส้นนึงที่แงซ้ายผูกไว้แล้ววิ่งก้าวมาพันอ้อมต้นไม้อีกต้นหนึ่งเพื่อยึดไว้เป็นหลักเช่นเดียวกับเส้นแรกต่อมาก็เป็นชายยันจันบุญคําและเกิดตามลําดับโดยปล่อยทางด้านปลายเชือกเส้นแรกให้พันรอบต้นไม้เป็นด่านรับแรงฉุดดึงของเจ้าพืชมรุตยูไว้ก่อนที่จะมาถึงกลุ่มของเชิดผาซึ่งบัดนี้ยังช่วยกันรังอยู่ ทันทีที่มีการย้ายกำลังกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อทวงสมดุลไว้เชือกทั้งสองเส้นเริ่มมีบทบาทในการดึงประสานกันทันทีสำหรับเส้นแรกแม้จะถอนกำลังไปก่อนแล้วถึงครึ่งหนึ่งก็ตามแต่อันเนื่องมาจากมีต้นไม้ใหญ่เป็นหลักอยู่สำหรับยึดเห็ดมรณะไม่อาจใช้พลังของมันดึงตัวลงต่ำตามแรงหดซึ่งพยายามอยู่ในขณะนี้ได้ยิ่งมาประกอบกับด้านของฝ่ายขยิน ซึ่งรังไว้ยังจุดบริเวณโคนดอกอีกเส้นหนึ่งก็เท่ากับเป็นสองด้านของแรงฉุดไม่เปิดโอกาสให้มันขยับขยื่อนได้เลยตรงตามแผนที่เชษฐากำหนดไว้ทุกอย่างเมื่อเห็นว่าฝ่ายของขยินที่ย้ายกำลังล่วงหน้าไปก่อนพอจะรังยันสายเชือกเส้นใหม่ไว้ได้แล้วเชษฐาก็ร้องสั่งเร็วปรือให้ทางด้านเขาอีกสี่คนทยอยตามกันไปสมทบกับฝ่ายของขยินเพิ่มขึ้นอีกโดยพระย้ายไปตามลาดับเช่นกัน จนกระทั่งเขาเองเป็นคนสุดท้ายที่ทิ้งจากเชือกเส้นเดิมไปสู่เส้นที่สองกลายเป็นย้ายกําลังครบหมดทั้งสิแรงช่วยกันฉุดกระชากรั้งดึงเต็มที่ลากมันกระชากมันขึ้นมาให้ได้เสียงไชยันตะโกนกึกก้องพร้อมกับส่งเสียงให้ชักเย่ออยู่เป็นจังหวะเงาสายนั้นเมื่อหันมาเห็นพรรคพวกบนฝั่งปฏิบัติการได้ตรงตามแผนที่กําหนดไว้แล้วก็ชักมีดเดินป่าประจําตัวที่ข หลังออกมาตรงเข้าฉะเฉือนดอกเห็ดมรุตยูที่ห่อรวบเข้าหากันเป็นกระพุ่มเหมือนดอกบัวตูมโดยกระนำฟันลงไปยังบริเวณโคนกลีบดอกที่แรเห็นประดุดกา้านหรือเส้นเอ็นที่แผ่เป็นเส้นอยู่ทั่วไปโดยเลือกฟันตัดลงไปตามแนวเส้นใหญ่ๆสำคัญเหล่านั้นเรากับจะรู้จุดอ่อนของมันดีอยู่แล้วเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ที่อดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงหวหมี่ชาฉับลงไปบนน้ำกระจายว่อนไปทั่วทุกคนเห็นกลีบดอกอันหุบ ป, ประกบกันอย่างหนาแน่นรอบด้านพพเยออ้าออกร่างของพรานใหญ่หลุดพลัวจากที่หอรัดออกมาครึ่งตัวดิ้นรนตะกายหาอากาศหายใจอาการแหลไม่ผิดกับปลาสำลักน้ำแงาสายคว้าสายเชือกที่ยังรังดึงติดเอวเขาอยู่ในขณะนี้กระชากสุดแรงเกิด ระพียงกระเด็นหลุดพ้นออกมาจากกลีบดอกที่บางส่วนยังห่อรัดอยู่ศีรษะปากตูมจมดิ่งลงไปในน้ำํำจากองครัก์พิเศษของดารินเพนเขาหิ้วคอเขาขึ้นมาจากน้ําได้พระคองหิ้วปีกนาวิ่งน้ำแตกกระจายตรงเข้ามาหาฝั่งและส่งเขาให้ขึ้นไปนอนสะบักสะบอมหมดเรียวหมดแรงอยู่บนฝั่งก่อนตอนเองโดดเข้าไปชุดช่วยสายเชือกเพิ่มขึ้นอีกแรงหนึ่งท่ามกลางความสับสนอนละเวงของพรรพวกทุกคน ที่พากันเซลู์อยู่ไปมาทั้งหมดพากันกําลังใจดีขึ้นที่แลเห็นระพินไพรวันหลุดพ้นออกมาจากกรีบดอกเห็ดมรุตยูและมาถึงฝั่งเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าพลานใหญ่ตกอยู่ในภาวะเช่นไรรู้อย่างเดียวว่าคงไม่ถึงก็มีอันตรายมากนักเพราะยังเห็นยันกายขึ้นมาคลานสีขาอยู่กับพื้นได้พร้อมกับสะบัดหัวอยู่เรา่าเร้าแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะตรงเข้าไปดูได้ ในภาวะเข้าได้เข้าเข็มเช่นนี้เฉษฐาและชัยยันร้องเร่งให้กำลังใจพักพวกทุกคนระดมออกแรงกันอย่างเต็มกำลังเท่าที่มีอยู่เสียงเอ็ดอึงไปหมดเหตุมหาการเริ่มลู่ดอกเอียงเท่ไปตามทิศทางแรงฉุดของฝ่ายมนุษย์แล้วพร้อมกับผิวน้ำที่สันไวเป็นระลอกอันเกิดจากการฝืนกำลังต่อต้านราวกับสัตว์มีชีวิตฝ่ายมนุษย์ใช้วิธีออกแรงฉุดกระชากเป็นจังหวะ เพื่อเกิดความพร้อมเพรียงกันที่สุดอึดใจต่อมานั่นเองก็ปรากฏเสียงลั่นปึดขึ้นจากพื้นเหลวใต้น้ำจนแผ่นดินบนตะลิงไหวรู้สึกได้อย่างถนัดเร็วช่วยกันให้เต็มที่มันกำลังเคลื่อนแล้วเชื้ทารองขึ้นอย่างยินดีทั้งคณะกำลังใจบังเกิดขึ้นอย่างมากมายยิ่งระดมแรงกันขึ้นอีกจนสุดฤทธิ์เสียงลั่นจากใต้น้าดังทีขึ้นทุกขณะ ดอกของมันก็เริ่มจะเพยเยอะตามแรงฉุดขึ้นมาทุกทีเช่นกันยิ่งเคลื่อนขยับขึ้นมามากเท่าใดประตูใช้ความสำเร็จผลก็ยิ่งมองเห็นชัดขึ้นทุกทีทุกคนเริ่มรู้ชัดถึงการเคลื่อนถอยหลังของตนเองห่างริมฟังออกไปทีหลักเก้านั่นก็หมายถึงว่าเป้าหมายเห็นการฉุดกำลังจะถอนตามมาครั้งแร ก, แรกมันก็หนักเหมือนดึงภูเขาทางลูก ต่อมาก็เริ่มเบาลงทุกขณะกระทั่งที่สุดวาระสุดท้ายของการฝังรากจมเลนลึกของมันก็มาถึงปรากฏเสียงลั่นปืดนักนวงอีกครั้งเดียวทั้งโคนทั้งรากก็ผลจากระดับดินใต้น้ำหลุดออกมาท้งยวงและผลจากการถอนขึ้นมาอย่างพรวดพราดในขณะที่ออกแรงกันอย่างเต็เหนียวนั่นเองทั้งอคนพากันถอยหลังชนกันเองล้มระเนรนาศ ส่วนเจ้าเห็ด ม, ม, มรณนะก็ถูกลากตามน้ำอูเขามาริมตะลิงท่ามกลางสายน้ำที่แตกกระชอกขุ่นค้คนคลักไปหมดแลไม่ผิดอะไรกับลากควายทั้งตัวทั้งหมดรีบตะ ก, กายขึ้นมาโดยเร็วพร้อมกับเสียงโห่ร้องลั่นอย่างยินดีของพวกพรานพื้นเมืองพวกนั้นกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจในชัยชนะเชีถยารองสั่งให้ช่วยกันชุดลากมันขึ้นมาบนฝั่งทั้งยวงตัวเขาเองดาริน มาเรียและชา ย, ยันละมือจากเส้นเชือกพากันวิ่งตรงเข้าไปที่พรานใหญ่ซึ่งบัดนี้พยายามจะยันกายขึ้นมาอย่างยากเย็นอาการยังมึนงงกระปลกกระเปรี้ยหมดเรียวหมดแรงต่างช่วยกันเข้าไปประคองสอบถามอาการกันแซดแทบฟังไม่ได้สัรบระพินไพรวันนั่งเหยียดแขนเหยียดขายอยู่กับพื้นไปเยียดน้าโชกไปหมดทั้งตัวครู่หนึ่งต่อมาอาการของเขาก็ดูจะดีขึนสลัดน้ำออกจากศีรษะและในช่องจมูก ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงครับผมหายใจไม่ออกไปช่วขนาดเท่านั้นมันรัดแน่นเหลือเกินครับราวกั ง, งวงช้างก็ไม่ปานนี่แต่ช้า ก, กว่านั้นนิดเดียวก็คงแย่และนึกไม่ถึงครับว่าพลังดีบีรัดของมันจะมากมายถึงเพียงนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังช่วยนะครับเขาพูดหอบหอบหน้ายังสีดขาวแน่ใจนะผู้กองว่าคุณไม่เป็นอะไรจอมพรานพยุงกายลุกขึ้นมายืนเต็มส่วนศัพว์โดยการประคองของชัยยันกามาเรีย ในขณะที่พี่น้องราชสกุลจ้องสำรวจไปงมาอย่างไม่สู้จะวางใจนักแต่แล้วก็เบาใจขึ้นถนัดเมื่อเห็นระพินก้าวออกเดินได้ด้วยอาการเป็นปกติเขาปรีไปที่ชายฝั่งตรงที่พวกนั้นกำลังช่วยกันเฮลโลโหรพาชุดลากเอาเห็ดมริตยูให้ขึ้นมากองอยู่บนบกเป็นโกลาหนติงตามเข้าไปโดยเร็วเอาขึ้นมาให้พ้นตลิงมากๆหน่อยลากมันขึ้นมา เสียงพรานใหญ่บงการกับคนของเขาอย่างเร่งร้อนและคณะเจ้านายทุกคนก็เข้ามายืนมงดูอย่างใกล้ชิดด้วยความตื่นเต้นต่อภาพที่เห็นพวกนั้นช่วยกันฉุดดึงเจ้าสิงห์มหัศจรรย์โดยสายเชือกที่ยังมัดแน่นติดอยู่ตรงบริเวณคอดอกของมันให้เพเยะเกยพ้นตะลิงขึ้นมาต่อจากนั้นก็ลากพรวดพรวดพ้นชายตะลิงเป็นทางยาวไปกับพื้นดินอย่างง่ายดายสุดช่วงระยะอันยาวเหียดเป็นยวงของมัน ตั้งแต่ปลายดอกที่หุบเป็นลักษณะบัวตมูมจนกระทั่งปลายรากด้านล่างสุดที่เป็นหนวดฝอยรุ่มรามน่าขยักขยแงงราวกระหนวดปลาหมึกต่างเข้าม า, าล้อมจ้องรูปร่างลักษณะของมันที่แลดูถนัดตาชัดเจนขึ้นและนิ่งเงียบงันกันไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความรู้สึกพิลึกพิลั่นบอกไม่ถูกไม่น่าจะเป็นประเภทพืชเลยนะมันเหมือนปลาหมึก ใครคนหนึ่งครางออกมาเบาๆดูให้แน่สิว่ามันตายสนิทหรือว่าหมดพิษสงลงแล้วหรือยังดารินเกษิรระพินไพรวันกัดนิ้ฝีปากเบาๆจ้องตั้งแต่ยอดปลายดอกซึ่งบัด น, นี้อ้าพะเยอะอออกเล็กน้อยเพราะอำนาจมีดที่ฟันไว้ของแง่ทรายพิจารณาสำรวจลงไปทุกส่วนสัตว์ของมันที่ทอดยาวเหยียดกองพนเนินอยู่ตรงพื้นเบื้องหน้าบริเวณดอกที่หุบเข้ามาทั้งหมด มีความยาวประมาณหนึ่งเมตรครึ่งจากส่วนปลายถึงโคนดอกซึ่งป่องกลางและอีกทีก็เหมือนรูปร่างของแก้วแบรนดีทัดลงไปเป็นก้านซึ่งทอดเป็นลำตรงยาวลงไปอีกหนึ่งเมตรจึงเชื่อมอยู่กับส่วนอนันหนาเกลียดขยะขยังที่สุดจากที่เห็นอยู่ในขณะนี้ส่วนนั้นและเหมือนถุงบรรจุ ข, ของเหลวสีสกปรกกองพันเนินเทินทึกรูปร่างครุขระตามผิวนอกเป็นกระปอก หรือมิฉะนั้นก็พวงของลำไส้สัตว์อะไรชนิดหนึ่งมันไหวเต้นเยอบยากอยู่ไปมาขนาดของมันอวบใหญ่เราโอ่งสามโคกมียวงเล็กยวงน้อยแยบเป็นติ่งออกไปทั้งส่วนบนและส่วนล่างรอบตัวไปหมดกระทบแสงแดดที่ส่องลงมาในขณะ น, นี้แลเป็นมันละเลื่อมและยามที่จ้องพินิษกันอยู่เดี๋ยวนี้ดูประหนึ่งว่ามันจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตนอยู่ได้น้อยๆเป็นลอนระลอก เหมือนลูกคลื่นถัดจากกระเป๋อส่วนกลางอันใหญ่โตมโหฬาร น, นี้ลงไปจึงเป็นส่วนรากฝอยที่แผ่ออกไปรุงรงังรอบด้านถ้าจะวัดตั้งแต่ปลายดอกลงไปจนสุดปลายรากฝอยเจ้าสิ่งประหลาดนี้ก็มีส่วนยาวร่วมห้าเมตรหรือกว่าเล็กน้อยเมื่อเหลือบขึ้นก็เห็นเชษถามองหน้าเขาอยู่ก่อนแล้วสีหน้าของท่านหัวหน้าคณะเต็มไปด้วยความสยองใจระคนสะอิดสะเอียน ใช้ปลายไม้ยาวชี้จิ้มลงไปตรงบริเวณกระปาะซึ่งมีลักษณะยุ่นยุ่นของมันไอตรงนี้ของมันดูเหมือนท้องหรือกระเพาะของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีผิดดูแลว้วขนลุกเหลือเกินถ้าตาไม่ฝาดก็รู้สึกว่ามันจะขยับไหวเป็นร้อนได้ด้วยนะคะพี่ใหญ่ลักษณะของมันน่าจะเป็นสัตว์มากกว่าพืชซะแล้วเพียงแต่ว่างอกรากยึดอยู่กับดินเท่านั้น แต่คิดยังไงเมยประโยคหลังหล่อนหันไปถามมาเรียซึ่งยืนจ้องนิ่งอยู่ด้วยความประหลาดใจขีดสุดไม่น้อยไปกว่าคนอื่นฉันได้อะไรไม่ถูกเลยนะบอกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นสิ่งหน้าขยะขแข็งและมีอันตรายที่สุดแล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันถึงสูบดูดเอาเยื่อของมันลงไปเป็นอาหารได้เยื่อที่ถูกใบดูดลงไปจะต้องลงไปสู่กระปาะอันน่าเกลียดนั่น และบดย่อยสลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นตรงนั้นเองลักษณะของมันน่ะดักเหยื่อเพื่อเสพกินเป็นอาหารแน่ๆไม่ใช่เพียงแต่สูบดูดไปเฉยๆเท่านั้นพ่อของบุญคำเคยเล่าให้ฟังตาพรานเท่าเอ่ยขึ้นด้วยอาการสยองในขณะที่พักพวกของแกทั้งหมดยืนด้วยอาการขนลุกขนพองรอบด้านสีหน้าของคนเหล่านั้นสุดที่จะบรรยายได้ถูกแกบอกว่า ชายบึงกลางป่าลึกที่ปู่เคยไปพบมีอะไรอย่างหนึง่งเที่ยวได้ล่องลอยอยู่ใกล้ๆผิวน้ำลักษณะเหมือนกับดอกจอกพอคนหรือสัตว์ไปกระทบเข้ามันจะห่อม้วนตัวเอาไว้แล้วดึงจมลงไปใต้น้ำบุญคำนั้ไม่เคยเชื่อเพราะไม่เคยเห็นแต่พ่อยืนยันว่าปู่พบและเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดวิ สงสัยว่าจะเป็นไอตัวอัปรีที่เราดึงขึ้นมานี่เองบุญคำไม่สบายใจตั้งแต่เห็นพรานใหญ่ลงไปแล้วแต่ไม่กล้าห้ามฝ่ายนายจ้างไม่มีใครสนใจกับคำพูดของตาพรานเท่าเพราะกำลังเพ่งอยู่กับการพิจารณาสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆกำลังซุบซิบวิจารณ์กันแซ่บไปหมดชยันความไม้ยาวจากเชิดถามมาถือไว และใช้กําลังปักไม้นั้นลงไปยังส่วนกระปาะตรงกลางของมันเพื่อทดลองดูความยืดหยุ่นเขาออกแรงกระทุ่งทิ่มเข้าไปเต็มที่แต่ปรากฏว่าไม้ทอด น, นั้นกระเด้งยุ่นเป็นสปริงถอยกลับออกมาไม่สามารถจะปักให้เสียบทะลุเข้าไปภายในได้เพราะความเหนียวแน่นของผิวด้านนอกระพินเคลื่อนเดินดูมันไปรอบๆ อ, อย่างทีท้วนจากด้านบนจนถึงด้านล่างสุดอันเป็นส่วนรากฝอยยุ่มยากชั่วขณะหนึ่ง ที่เขาชำเลืองแวบไปทางแง่ทรายเห็นเจ้านันเฉยยืนอยู่เงียบเงียบตามลำพังคนเดียวไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ่งเขารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าในทันทีที่กรีบดอกรอบนอกของมันหุบตัวขึ้นรัดคลุมมิดตัวและพยายามจะใช้มีดกรีดแหวกเพื่อโปรหน้าออกมาหายใจนั้นมันเป็นภาวะที่น่าสะพึงกลัวและทรมานขีดสุด เงส า, ายน่าจะปฏิบัติการอะไรลงไปในช่วงระยะเวลาที่เร็วได้กว่านั้นแต่มันก็เป็นการรอคอยความช่วยเหลือเหมือนถูกกดจมอยู่ในนรกจนแทบจะหมดสติอยู่รอ ม, มารอประสาทมึนงงและชาไปหมดจนไม่สามารถจะสำเนียกสิ่งใดไ ด, ได้นอกจากคิดว่าวาระสุดท้ายเห็นจะมาถึงจะเป็นแน่แท้การถูกบีบรัดอยู่ในกลีบที่หุบเข้ามาพร้อมกับกาลังลึกลับอีกส่วนหนึ่งที่พยายามจะสู่ให้จมลึกลงไปเบื้องล่าง ต่อต้านกับแรงฉุดจากสายเชือกของพรรคพวกที่ผูกติดเอไว้ประหนึ่งว่าร่างกายจะถูกบดให้แหลกเหลวปนเป็นพัดสมทัทโรีไปมีดหมอของจันที่เขาใช้เตรียมเพื่อช่วยตัวเองซึ่งหวังไว้ว่าอย่างน้อยก็พอจะตัดเป็นช่องให้โผล่หน้าออกไปหายใจได้บ้างก็ปราศจากผลโดยสิ้นเชิงกำลังของเขาหมดซะก่อนเพราะการถูกบีบรับนั้นและมีดซึ่งรู้ว่าคมกริบ ก็ไม่สามารถจะเฉือนใบของมันให้ขาดวิ้นออกไปได้อย่างใจนึกมารู้สึกตัวอีกครั้งซึ่งไม่ทราบระยะเวลามันเนิรนานห่างออกมาสักเท่าไหร่นับแต่ได้ถูกขุบรัดตัวในพริกตาแรกก็พบว่ากรีบของมันที่รัดไว้แน่นนั้นเริ่มขยายหลวงออกเล็กน้อยแล้วกำลังฉุดดึงจากเบื้องนอกก็กระชากเขาหลุดพลวออกมาหัวทิ่มลงไปจมน้านต่อจากนั้นก็เห็นแง่ทรายเป็นคนขี้้วประคองเขาขึ้นมา ลากเขาสู่ฝั่งเขาไม่มีโอกาสจะรู้เห็นอะไรได้เลยว่าเบื้องนอกมีการเคลื่อนไหวกันเช่นไรบ้างขณะที่ถูกขุบรัดตัวแล้วคงได้ยินแต่เสียงตะโกนครั้งหลังสุดของเชตฐาที่เร่งให้พักพวกชุดรังเอาเขาไว้โดยสายเชือกโยงเท่านั้นตาคู่นั้นช้ำเลืองแลรอยู่ที่เขาก่อนแล้วเช่นกันมีอาการเหมือนจะยิ้มยิ้มไม่มีเวลาพอที่จะสะสางข้อข้องใจใดๆในขณะนี้ได้ทั้งสิน้น ระหว่างเขากับเจ้านั่นเมื่อเสียงท่านหัวหน้าคณะสั่งมาว่าเราต้องการจะดูให้ชัดว่าอะไรก็ตามที่ถูกดูจะ ก, กรีบดอกข้างบนลงไปถึงกระปาะตรงกลางนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในลักษณะไหนชําแหละพามันออกดูเหรอครับก็จะอยากเห็นข้างในของมันว่าเป็นยังไงอ่ะจอมพรานออกคําสั่งไปยังคนของเขาทัานที ขยินกระบุญคำชักดาบออกมาคนละเล่มตรงเข้ามากระนำฟันสุดแรงเกิดเสียงดังอยู่ชั่วชั่วคนทั้งสองแยกกันฟันคนละดาบเงื้อดาบที่กันสองมือขึ้นสุดละแล้วหวดลงไปยังกลางกระเป๋ะของเจ้าพืชประหลาดที่กองอยู่ราวไส้พุงนั้นมันไม่ยุ่ยเกินไปจนเหมือนกับฟันหยวกนักแต่ไม่เหนียวจนถึงกระทนทานดาบันหนักหน่วงและคมกริบไปได้ทุกครั้งที่ขยินและบุญคำจ้วงฟันลงไป นำเมือกเมือกที่คล้ำคน้นปลิวกระเซน็นไปทั่วส่งกลิ่นหืนคาวชวนวิงเวียนจนคนอื่นๆต้องพังงะถอยห่างออกมาครูใหญ่ต่อมากระเปะ๋อส่วนกลางของมันก็ถูกพาเป็นแนวตามยาวลึกลงไปถึงส่วนในแล้วแบะออกให้เห็นผิวในที่ครุขระเป็นริ้วๆเต็มไปด้วยสิ่งอันแลเหมือนขนอ่อนๆดูน่าเกลียดหนาแน่นเต็มไปหมด มีน้ำเมือกสีคล้ำส่งกลิ่นคาวจัดทะลักทลายพรังพูวกมาตลอดเวลาตามบาดแผลที่ถูกดาบฉะเฉือนแวกออกไปยิ่งมองเหมือนส่วนลำไส้หรือกระเพาะของสัตว์ไม่มีผิดมาเรียถึงกับพังหกถอยห่างออกไปอีกยังทนต่อกลิ่นและภาพที่เห็นไม่ได้ไปยืนทำท่าขายักข ย, ย่อนคล้ายจะอาเจียนด้วยความคลื่นเฮียนเชิฐาชัยยันและดารินก็ตกอยู่ในอาการคล้ายกัน ในที่สุดกระเพาะที่ควรจะถูกเรียกว่ากระเพาะอาหารของมันก็ถูกเปิดออกไปเป็นสองสี่ขากวิ่นกระจับกระจายเกลื่อนบริเวณด้วยคมดาบของขยินและบุญคำทันใดนั้นเองทั้งสองคนซึ่งกระนำฟันเหยียบย่ำอยู่บนกองพาเนินของมันก็ทานออกมาสุดเสียงกระโดดโยงหางออกมาอย่างขวัญหนีดีฟอร์และพินไพรวันพรวดเข้าไปถึงในทันทีนั้น ขนาดที่ทั้งตาเท่าและเจ้ากระเรียงลมช้างชีมือร้องโวยวายลัน่นไม่เป็นภาษาแล้วตัวเขาเองก็จ้องตะลึงอะไรรดชพินคณะนายจ้างซึ่งบัด น, นี้ถอยห่างออกไปไกลร้องถามมาเป็นเสียงเดียวกันโครงกระดูครับโครงกระดูดมนุษย์ครับเสียงพรานใหญ่ตอบมาแห็บต่ำเดินไปได้หันมาทางนายจ้างของเขาหากไปยืนจ้องขม็งอยู่เช่นนั้น สี่คนของฝ่ายนายจ้างก็เพ่นพลูเข้ามาถึงพร้อมกันหมดและพลอยืนตัวแข็งไปชั่วขณะจากสิ่งที่ปรากฏกับสายตาท่ามกลางอาวัยวะส่วนในอันแลน่าเกลียดหน้ากลัวซึ่งถูกคมดาบสับขาดรุ่งริ่งวัตถุคล้ำเป็นท่อนๆชนิดหนึ่งปะบนเรียงรายซุขอยู่ตามริ้วขนอุยเหล่านั้นส่วนที่เล่เห็นชัดที่สุดอันพอจะบอกได้ว่ามันเป็นสร้าโครงของมนุษย์ ก็คือกระดูกซี่โครงสองสามซี่ที่โผล่ออกมาเห็นมันเป็นแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นที่พอจะเห็นได้อยู่ในขณะ น, นี้ส่วนใหญ่ยังคงซุกซ่อนอยู่ตามอุยหนาแน่นอันเป็นผนังส่วนในของกระปาะและถ้าหากขุดคุยลงไปก็คงพบได้ไม่ยากนะักทุกคนน่าซีดเผือกกระดูกคนจริงๆโอ้พระเจ้าช่วย เสียงดารินครางออกมาอย่างตกใจคนให้ทั่วสิกระดูกคนหรือกระดูกสัตว์กันแน่เชษฐาพูดเ้าๆอย่างพยายามระงับความรู้สึกระพินคว้าดาบจากมือของตาเท่าบุญคำซึ่งยืนตาเหลือกตัวสั่นเทาอยู่ต้าวเข้าไปในกองนั้นด้วยกิริยาอันสงบเยือกเย็นทุกคนเห็นเขาใช้ปลายดาบเขี่ยคนและฟันสิงกษษีดวางอยู่อึดใจต่อมาดางก็สะดุ้งขึ้นสุตัว อุทานออกมายังตกใจพร้อมกันเมื่อจอมพลานเอาดาบเขียววัตถุกลมกลมชนิดหนึ่งกริ่งครุๆออกมากลางพื้นที่โลกมันกลิ้งไปทางชัยยันและมาเรียซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกล้กันจนคนทั้งสองถึงกับกระโดดยังขวัญบินเจ้าสิ่งนั้นคือหัวกะโหลกมนุษย์และนั่นดูเหมือนจะบอกให้ทราบชัดแน่นอนเสียกว่ากระดูกซี่โครงซอีกเชี่าหันมองหน้าน้องสาว แล้วเดินเข้าไปพิจารณาจนชิดโดยไม่สามารถจะพูดคดําใดออกมาได้ในขณะนั้นดารินก็สาวเท้าตามเข้าไปด้วยความรู้สึ ạo, you know กอันวานวาดยังไงบอกไม่ถูกและเมื่อ น, นั้นเองคนอื่นซึ่งตะลึงพึงเพลิดอยู่ในขณะนี้ก็พลันได้สติค่อยๆทยอยเข้าไปมุงพิจารณาก่อนที่ใครในกลุ่มเบื้องนอกจะได้เ อ, อ่ยคําใดออกมานั่นเองกระพินผู้ยังทําหน้าที่ค้นหาในกองนั้นต่อไป ก็เอาดาบเขียกริง่งม้เห็นอีกหัวกระโหลกหนึ่งรวมเป็นสองหัวในเวลาไล่เรียกกันไพวันคนอีกให้ทั่วสิมีโครงกระดูกอะไรบ้างอีกเท่าไหร่ที่มีอยู่ในกระเป๋ะนั่นเขียวไม้หมดมารีร้องออกมาเสียงสั่นระพินก้าวออกมาจากกองกระเปาะลำไส้ของเจ้าพืชมาหาการนั้นบอกด้วยน้ำเสียงเหืดเหืดว่าค้นตลอดแล้ว พบซากที่เคยเป็นคนอยู่สองซากนั่นเท่านั้นกระดูกส่วนอื่นๆก็ดูเหมือนจะอยู่ครบถ้วนแต่ปวยการที่จะเขี่ยวไม่เสียเวลาสองหัวกะโหลกก็พิสูจน์ชัดอยู่แล้วว่าสองคนขณะที่พูดเขาเดินออกมารวมกลุ่มสมทบเขี่ยกะโหลกที่สองซึ่งเพิ่งจะปัดออกมานอกบริเวณเข้ามาเคียงกับกะโหลกทั้งคณะเงียบกริบเหมือนถูกสะกดกันไปพักใหญ่ ได้แต่จ้องมองอยู่ที่กะโหลกทั้งสองและแลตากันเองอยู่ไปมามนุษย์ได้มีมนุษย์ผ่านมาทางนี้ก่อนหน้าเราแล้วในที่สุดชัยยันก็พูดขึ้นอย่างเบาที่สุดและสองคนเคราะห์ร้ายก็ได้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าเห็ดปีศาจนี่หรือแต่กระดูกเป็นหลักฐานทิ้งไว้ในกระเพาะของมันเจ้าของหัวกะโหลกทั้งสองหัวน่เป็นใคร นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกลางใจของทุกคนพร้อมกันหมดเว้นไวแต่ไม่มีใครเ อ, อ่ยออกมาเป็นคำพูดเท่านั้นระพินไทยวันเองขณะนี้ก็ยืนหน้าเครียดสงบนิ่งได้แต่มองจับนิ่งไปยังใบหน้าของนายจ้างแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชษฐาน้อยอย่ามวัวแต่ยืนงงอยู่พี่คิดว่าเธอนะ่ะควรจะได้อะไรบ้างจากหัวกะโหลกทั้งสองหัวนี่ อย่างน้อยที่สุดก็บอกได้ว่าชนเผ่าไหนตายมานานแล้วสักเท่าไหร่อายุหรือวัยพี่ชายหันไปกระซิบตื่นน้องสาวนักมานุษยวิทยาเลือดราชสกุลตื่นจากผวางังทุกคนมองมาที่หล่อนเป็นตาเดียวหญิงสาวพยายามคมความรู้สึกบางประการให้เป็นปกติลงค่อยๆซึบตัวลงนั่งเอื้อมมืออันสันเทาไปแตะที่หัวกระโหลกตากลวงโหน้นแล้วตรวจสอบ ด้วยความชำนาญโดยขอมีดโบวีจากชัยยันไปใช้ขูดผิวกระโหลกทั้งหมดไม่มีใครปริปากเลยหัวใจเต้นแรงมองดูการพิจารณาตรวจสอบของหมอดารินตาไม้กระพริบพักใหญ่ทีเดียวทุกคนเห็นผู้ชำนาญทางมานุษยวิทยาถอยห่างออกมาแล้วนั่งพับเพียบแตะลงกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงยกมือทั้งสองขึ้นกุมขับ พอจะบอกอะไรได้บ้างไหมน้อยเชิถาโข่งออกมาดังๆโดยไม่เงินหน้าหรือเปลี่ยนอากัปกิริยาไปจากเดิมเสียงสั่นเครือของหมอดารินตอบมาว่าชนเผาเอเชียตะวันออกไกลคนหนึ่งหนุ่มชกัไวัยประมาณสาสิปีอีกคนหนึ่งวัยสูงอายุประมาณห้าสิบห้าถึงหสิปี มาแล้วราวสองปีครับพี่ใหญ่น้อยชา ย, ยันร้องลั่นแล้วยืนนิ่งตัวแข็งถือเชษฐาก็กายเย็นเฉียบหน้าซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดมาเรียนหน้าตื่นหล่อนเพิ่งจะเข้าใจอะไรได้รางๆหันขวักไปทางชา ย, ยันทันทีพี่ชายของน้อยอายุเท่าไหร่คะสามสิบสามหรือสามสิบสี่ชา ย, ยันนั้นตอบไม่ได้ซะแล้ว เพราะมัวตะลึงงานอยู่ผู้ตอบอย่างยากเย็นที่สุดคือเชษฐาแล้วนั้นอินคนนำทางคนนั้นล่ะคราวนี้รับพินไทวันเป็นคนตอบขรึมขึมขึ้นว่าประมาณห้าสิบหกถึงหกสิบปีครับระยะเวลาที่ทั้งสองนั้นหายสาบสูญไปตรงกันหรือเปล่าใกล้เคียงมาเรียฮอฟมันยกมือขึ้นทำอาเมน ริ่ฝีปากขมุบขมิบไม่มีเสียงใดๆที่จะลอดออกมาได้เชษถาวราริธได้สติขึ้นก่อนใครในหมู่ของเขาเดินเช่ามช้าเข้ามาที่น้องสาววางมือลงบนไหลบีบหนักหน่วงเหมือนจะปลอบโยนแล้วประคองขึ้นมากอดไว้แน่นในอ้อมแขนข้างหนึง่งดารินบัดนี้ดวงตาแห้งผากมือลอยและไกลออกไปเบื้องหน้ายางปราศจากที่หมาย นมยแน่ใจเหรอว่ากะโหลกของชายที่พิสูจน์ได้ว่าอยู่ในวัยสามสิบกว่านะ่ะจะเป็นกระโหลกของอนุชาท่านหัวหน้าคณะพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติที่สุดพี่กลางเป็นคนขากันไกลกว้างหนกแก้มสูงและหน้าผากตัดแล้วกะโหลกที่เราเห็นอยู่นี่ก็มีสันฐานชนิดเดียวกันค่ะดารินตอบเกือบไม่มีเสียง คุณล่รพินคุณมีความเห็นยังไงผมไม่อา จ, จแสดงความเห็นอย่างใดได้เกี่ยวกับกระโหลกศีรษะหรือโครงกระดูกของคนคู่นี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในข้อวินิจฉัยของคุณหญิงดารินซึ่งชํานาญด้านนี้โดยเฉพาะรวมทั้งคณะเจ้านายของผมเองทุกคนที่จะลงความเห็นครับเสียงห้าวลึกนั้นตอบมามีกังวานสลดผู้พูดเว้นระยะถอนใจแล้วกล่าวต่อมาว่า แต่ผมก็มีหลักฐานอะไรบางอย่างที่จะให้ประกอบการพิจารณานี้ด้วยคือก่อนที่ผมจะนำทุกคนเดินลุยลงน้ำขึ้นที่ฝั่งนั้นผมได้พบสิ่งนี้ตกอยู่ในพงหญ้าริมตะลิ่งครับพร้อมกับพูดพรานใหญ่แบมือออกไปตรงหน้าของทุกคนพูะมองเห็นได้ทันหนักเชิดถาดารินเดช ย, ยันซึ่งมีหัวใจอันเหี่ยวฟอหดผูอยู่แล้ว ก็แทบเป็นลมมันคือปลอกกระสุนจุดสี่ห้าศูนย์ไนโตรอันเป็นกระสุนไรเฟิลแฟดที่หมอมราชวงศ์อนุชาวราริปหรือชายพเนจรที่ชื่อชดประชากรใช้ประจำตัวนั่นเองช ย, ยันคว้าไปพลิกดูโดยเร็วมือสั่นร้องลั่นหมายความว่ายัางไงกันนี่คุณพบตอนไหนและทำไมเราถึงไม่รู้กันเลย ผมยังไม่ได้บอกแค่บิมึงฆ่ามึงก็ไม่รู้ไม่เห็นเหรออยู่ริมฝั่งก่อนจะสั่งให้แงซ า, ายเดินนาล่วงหน้าแล้วผมก็มืการพบหลักฐานปลอกกระสุนนัดนี้ทําให้ผมสงสัยว่าอีกค้นหาในกองนั้นต่อไปก็เอาดาบเคี่ยกริ้งนํามาการพบหลักฐานปลอกกระสุนนัดนี้ทําให้ผมสงสั ย, ผ ม, สยผมก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผ่าน มันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยนําแ้วก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผ่านพวกเรามันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยแล้ก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผ่านลงไปมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยอันนั้แล้วก็สังเกตเห็นภ mm, ูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผ่านมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยผมก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ํา ที่จะต้องเดินลุยผักมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยกล่าวก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้าที่จะต้องเดินลุยผักมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยฝืนยีก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้าที่จะต้องเดินลุยผักมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทาให้ผมสงสัยคุณสงส์ก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้าที่จะต้องเดินลุยผักชีวิตมันไม่น่าจะปลอดภัยนัก ทำให้ผมสงสัยของทศก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผามันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยของคนก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผาก็ยอมมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยมากที่ก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้าที่จะต้องเดินลุยผาก็หิบมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ํา ที่จะต้องเดินลุยผาสูงมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยสาวก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผาดมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสง ส, ยสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผาไปหมดมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทําให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ําที่จะต้องเดินลุยผาดมันไม่น่าจะปลอดภัยนัก ทำให้ผมสงสัยแมนก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำที่จะต้องเดินลุยผ่าคร่ำมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำที่จะต้องเดินลุยผ่าเอ็นหน้ามันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำที่จะต้องเดินลุยผ่ามันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำ ที่จะต้องเดินลุยผ่านมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้ำที่จะต้องเดินลุยผ่านมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยก็สังเกตเห็นภูมิประเทศใต้น้าที่จะต้องเดินลุยผ่านในที่สุดมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทำให้ผมสงสัยเชีาสะกดกลั้นความรู้สึกอันทมนัทั้งมวลมันไม่น่าจะปลอดภัยนักทาให้ผมสงสัยสู แม้ว่าริ้วรอยแห่งความเศร้าสลุดจะยังเปี่ยมล้นอยู่ในแววตาเขาไม่ยอมให้ทำให้ผมสงสัยแม้แต่หยุดเดียวตรงข้ามกับชั ย, ยันถึงอาจลงมาตามแก้มกร้านๆเราจะหยุดอยู่ที่นี่จัดการเผากระดูกของคนทั้งสองเหลือบางส่วนห่อไว้แล้วก็เดินทางกลับหัวหน้าคณะตอบแช่มช้าราบเรียบที่สุด พลางหันมาตบไหลจอมพรานหนักหน่วงระพินในที่สุดงานของคุณก็สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างแนละ้วแต่ถึงยังไงผมก็ขอชมเชยว่าคุณเป็นพรานนำทางที่สามารถที่สุดนำพวกเรามาจนพบหลักฐานของอนุชาจนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเข็มของเราก็คือหันหลังกลับ ผมไม่สนใจหรอกครับว่าเราจะหันหลังกลับหรือจะเดินหน้าต่อไปอะไรก็ได้สําหรับผมขอให้เป็นคําสั่งของนายจ้างเท่านั้นแต่ไหนๆเราก็ได้เดินกันมาจนถึงครึ่งค้อแล้วถ้าคณะเจ้านายของผมอยากจะมุ่งไปถึงเทือกเขาพระศิวะอย่างน้อยก็เพื่อการสํารวจผมก็พร้อมแล้วที่จะนําต่อไปครับนั่นเป็นคําตอบของคนเลือดขน เชื้อาสั่นสีสัยิ้มเศร้าๆเมื่อรู้แน่ชัดว่าอนุชาสิ้นไปแล้วเช่นนี้ก็ไม่มีเหตุผลใดๆอีกที่ทางผมจะต้องทนเดินทางต่อไปผมและทุกคนที่บากบั่นมานี่มาก็เพื่อจะตามอนุชาและเอาตัวเขากลับเท่านั้นเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเจือปนอยู่ทั้งสิ้นเป็นเช่นนั้นจริงๆระผิด เราไม่ได้ปรารถนาจะไปให้ถึงเทือกเขาพระศิวะโดยไม่มีความหวังว่าจะไปพบอนุชาอีกเลยเราจะกลับกันเพียงแค่นี้แหละชา ย, ยันกล่าวสื่อมาอีกคนหนึ่งใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาถ้าฉช่นนั้นก็สุดแล้วแต่เธอครับแต่เดี๋ยวเะครับขอผมย้อนกลับลงไปในน้ำบริเวณนั้นอีกสักครั้งเชื่อว่าเข้าของสัมภาระหรืออย่างน้อยก็ปืนของคนทั้งสอง น่าจะตกอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทางง่านงมก็คงพบว่าแล้วรพินไพยวันก็หมุนตัวกลับเดินดุ่มไปยังริมตลิ่งเพื่อจะก้าวลงไปในน้ำอีกครั้งทันใดนั้นเองร่างอันตระงานของแง่ไซผู้ยืนนิ่งเงียบราวกับภาพปัน้นห่างทุกคนออกไปก็ก้กาวเข้ามาประจันสกัดหน้าพรานใหญ่ไวรพินเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นไรฟันขาวที่แย้มอยู่ในริมฝีปาก ไม่มีประโยชน์หรอกครับผู้กองไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเสียเวลาลงไปงมปืนหรือข้าวของสองคนนั่นในเสียเวลาพรานใหญ่ตาลุกพลุกขมวดคิ้วเสียงของเขาเกือบเป็นตหวัดหมายความว่าไงเงยสายร่างนั้นหัวเราะลึกอยู่ในลำคอก็หมายความว่าทั้งสองหัวกะโหลกที่พบนั่นน่ะไม่ใช่หัวกะโหลกของนายชดและหนานอินอย่างที่ผู้กองและทุกคนคิดนะสิครับ รพินไพัยวันชะงักกึกเสียงพูดและสภาพประจันหน้าระหว่างคนทั้งสองกระทบกับสายตาการรู้เห็นของคณะนายจ้าซึ่งกำลังยืนซึมสลดอยู่ในขณะนี้และเพ่งความสนใจทันทีเฉถากัญช ย, ยันก็ก้าวพรวดเข้ามาในบัตรนั้นทำไมมีอะไรกันเหรอหวัวหน้าคณะถามเห่าๆมองหน้าคนทั้งสองสลับอยู่เช่นนั้นเงีาย ส, ายสงบ นิ่งเฉยอยู่ด้วยข้าวหน้าและอาการราบคาบปกติที่สุดระพินก็ยังจ้องหน้าอย่างครุ้นคิดพิศวงแล้วแลไปทางนายจ้างของเขาเปล่าแผ่วเบาแต่เคร่งขรึมเป็นการเป็นงานว่าแง่ท า, ายบอกกับผมครับว่ากระโหลกที่เราแน่ใจกันว่าเป็นคุณชายอนุชาและนานอินน่ะไม่ใช่ครับเมื่อประหลาดใจปรากฏขึ้นกับสองนายจ้างทัน ท, ทีหันขับไปจ้องเจ้าคุณชายพิเศษ แกพูดกับผู้กองเช่นนั้นเหรอแง่ใส่ชา ย, ยันเน้นเสียงถามอย่างชัดเจนครับนายทหารผมพูดเช่นนั้นจริงครับแกแน่ใจเหรอแง่ใส่ก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมครับในายใหญ่ผมแน่ใจครับอย่างน้อยที่สุดก็แน่ใจว่ากะโหลกหนึ่งซึ่งเป็นกะโหลกที่นายหญิงพิสูจน์ได้ว่าสูงอายุนั้นไม่ใช่กะโหลกของนานอีก และมือกะโหลกหนึ่งนั้นไม่ใช่กะโหลกของนานอินอีกกะโหลกหนึ่งก็ไม่ควรจะเป็นของนายชดประชากรด้วยครับเฉถาชายันและระพินต่างมองหน้ากันชยยันนั้นหันไปดีดนิ้วโดยแรงเรียบไปทางมาเรียกดารินซึ่งนั่งเสื่องซึมอยู่ทางหนึ่งอาการกวักมืออย่างเร่าร้อนชนิดนั้นทําให้มาเรียเอกใจประคองดารินขึ้นและจูมือราชสกุลสาวซึ่งขณะนี้ดวงตาแดงต่า เข้ามาสมทบด้วยเกิดความขัดแย้งในด้านความเห็นกันขึ้นใชแล้วล่ะสองเสือเนี่ยชยันบอกเพื่อนสาวทั้งสองโดยเร็วคือรพินและพวกเราทุกคนแน่ใจว่าสองกระโหลกนั่นคืออนุชาและหนานอินแต่ไงทายบอกว่าไม่ใช่คำบอกเล่านั้นทำออกมาเรียอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอ้าปากงงส่วนดารินน้ำตาหยุดไหลลงอย่างกระท h นหัน ด้วยความประหลาดใจขีดสุดความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์เข้ามาขวางแทรอารมณ์เศร้าโศกในขณะนี้ของหล่อนอย่างกระทันหันชั่วขณะแง่ซรายราชสกุลสาวพ ย, พยายามบังคับเสียงฝืนใจพูดออกมาปนสะอื้นหลักฐานที่เราค้นพบและที่เห็นอยู่นี่พรานใหญ่ก็ดีหรือพวกเราทั้งหมดทุกคนก็ดี มีความเชื่อมั่นว่าเจ้าของกระโหลกทั้งสองนั่นคือบุคคลสาบสูญหรือเธอมีเหตุผลและหลักฐานที่เหนือกว่าที่พรานใหญ่แสดงมาแล้วละ่ะผมมีเหตุผลและหลักฐานครับนายหญิงแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทั้งเหตุผลและหลักฐานของผมจนะลบล้างหลักฐานของผู้กองและความเชื่อมั่นของคณะเจ้านายได้หรือไม่จะมีหลักฐานอะไรก็บอกมาเถอะ พวกเราทุกคนกำลังต้องการรู้ถึงฉันเองก็ไม่อาจยืนยันได้หรอกว่ากระโหลกทั้งสองน่ะเป็นของนายชดและหนานอินเพียงแต่สงสัยมากเท่านั้นหลักฐานทางด้านฝ่ายฉันซึ่งจะช่วยยืนยันให้แน่ใจที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเราค้นพบปืนและข้าวของติดตัวของเขามาประกอบเท่านั้นแต่ฉันกำลังจะลงไปงงแกก็มาสกัดแลวบอกให้ฉันเลิกลมความคิดนี้ซะก่อนบอกว่าไม่ใช่พรานใหญ่พูดเครียด แต่ก็ไม่สอแววว่าขัดเคืองไม่พอใจอย่างใดทั้งสิ้นในกรณีที่แง่ทายประท้วงขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องการจะทราบความจริงอยู่เช่นกันแง่ทายยิ้มออกมานิดหนึง่งเดินช้าๆผ่านหน้าทุกคนไปยืนอยู่เหนือกะโหลกมนุษย์ทั้งสองกะโหลกซึ่งกลิ้งอยู่กลางพื้นเกลี้ยงพลอยพาให้ทุกคนตามเข้ามามุงรายล้อมอยู่อีกสายตาของจอมพนเนจรจับนิ่งไปยังกะโหลกคู่นั้น แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงลึกช่นชาได้ยินชัดเจนไปทั่วทุกคนที่คอยสดับและจับตาขมิงว่ากะโหลกของชายวัยห้าสิบเศษหรือห0สิบที่นายหญิงพิสูจน์ได้และที่สงสัยกันว่าจะเป็นนานอินถ้าหากเป็นกะโหลกของนานอินจริงก็ขอให้ตรวจดูที่ฟันกรามข้างล่างด้านซ้ายซี่ที่สองพร้อมกับพูด แง่ทายชีย้มือไปยังกะโหลกนั้นทุกคนงงยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ในขณะนั้นส่วนดารินร้องแหลมออกมาอย่างเร็วปรือว่าทำไมแง่ทายมีอะไรที่ฟันกรามด้านล่างซ้ายซี่ที่สองของพรานที่ชื่อหนานอินเนบอกเร็วสิมีนายหญิงฟันกรามซี่นั้นของหนานอินจะสูญหายไปด้วยรอยถูกถอนแต่กระโหลกนี้นะ่ะฟันกรามซี่นั้น ยังอยู่ครบเพียงแต่ไปหัดตรงซี่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่กะโหลกของหนานอินทังหมดที่เบิกตาโพรงฟังอยู่อุทานฮึมขึ้นในลำคอด้วยความแปลกใจขีดสึดในคำพูดของแง่สายและเกิดการไหวตัวขึ้นในฉักพลันดารินสุดตัวลงตรวจกะโหลกนั้นอีกครั้งอย่างรีบร้อนแล้วเงยหน้าร้องออกมา กะโหลกหัวนี่ยังมีกรามอยู่ครบไม่มีรอยหักหายหรือถูกถอนออกไปเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไปนักเช็ดทาโบกมือเอ่ยขึ้นต่ำๆและมองไปยังอดีตร้อยโทรกองโจรกระเรียงเหมือนจะล้วงลึกเข้าไปให้ถึงขั้วหัวใจเอาล่ะเงาายไหนลองบอกหน่อยสิว่ากระตัดสรู้มาได้ยังไงว่านานอินไม่มีฟันซี่นั้น ซึ่งทำให้รกหยิบยกเอามาเป็นหลักในข้อพิสูจน์นี้พระธุดงเข้าฝันอีกแล้วสิชัยันสวนมาอีกคนหนึ่งเสียงดังลั่นแง่งาสายสายหน้าช้าตาเป็นประกายลึกมองสบทุกคนไปเป็นลำดับและมาสิ้นสุดจับนิ่งประสานอยู่ที่พรานใหญ่ซึ่งมองเงียบเงียบมาก่อนแล้วโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิง้พร้อมกับยิ้มนิดหนึง่งพูดขึ้น เหมือนจะพูดไปทางเขาโดยเฉพาะถ้าแง่สายบอกว่าพระธุดงมาเข้าฝันอีกในครั้งนี้เห็นทีน่นายทหารจะกระทืบแง่สายเสยเป็นแน่แท้ก็ทําไมจะต้องรอให้พระธุดงท่านมาเข้าฝันบอกด้วยแง่สายบอกเองก็ได้กล่าวกับประพินจบประโยคเช่นนั้นแล้วเจ้าคนลึกลับก็เบนสายตาไปทางคณะนายจ่าสามปีสี่ไปแล้วระหว่างรอนเรมติดตามแรดตัวหนึ่ง อยู่ในแถบตะนิ่นตะยีด้านตะวันตกกับพรานหนุ่มคนหนึ่งกระดูกนกเงือกแหลมคมชิ้นหนึ่งตาเหงือกฟันกรามของหนานอินจนเป็นบาดแผลอักเสบและกลัดหนองขึ้นนับวันล่วงผ่านไปขณะรอนแรมในป่าลึกบาดแผลที่เงือกของหนานอินกลายเป็นแผลเนา่าเจ็บปวดทรมานจนไม่อาจเคี้ยวอาหารได้ การติดตามแรดจำเป็นต้องสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นเพราะพรานเท่าไม่อาจเดินทางต่อไปได้ทั้งสองคนบายหน้าข้ามเขตมาแม่ห้องสอนอันเป็นแหล่งชุมนุมและความเจริญที่ใกล้ที่สุดและที่อำเภอหนึ่งนั่นเองพระหนุ่มเป็นคนนำพรานเท่าผู้ทรมานอยู่ด้วยโรคฟันเน่าเป็นพิษไปพบหมอฟันไม่มีทางอื่นใดจะรักษาได้นอกจากถอนทิ้งให้พ้นทรมาน ทุกคนเงียหูสะดับฟังแทบไม่หายใจใครเล่าเรื่องนี้แกฟังและมีอะไรมายืนยันพระพินทำลายความเงียบของทุกคนขึ้นรู้ว่าพระหนุ่มคนที่พาหนานอินไปพบหมอฟันและถอนออกมานั่นคือแกเง่ใสครับผมเองทั้งหมดต่อลื ระพินไพรวันลูบ ป, ปลายคางอย่างใคร่ครวญลึกซึง้งและถ้าหากสายตาของเขามีรังสีที่สามารถจะเจาะทะลวงได้ก็แทบ<อ><ล>จะทำให้ร่างกายอันประกอบไปด้วยเนื้อหนังหุ้มหอของเจ้าคนลึกลับเนื้อแต่โครงกระดูกไปทีเดียวท่านไม่เคยระแค่ระคายมาก่อนเลยนะว่าแกรู้จักนานอินและก่อนที่ผมจะมาพบผู้กองที่หนองน้าแห้งผมก็ไม่รู้เช่นกันครับ ว่าผู้กองรู้จักนานอินเหมือนกันเราเดินทางร่วมกันมาโดยตลอดเราทุกคนรับรู้กันอยู่แล้วว่าในระหว่างติดตามคนหายคนหนึ่งคือนายชดประชากร อ, อีกคนหนึ่งคือพรานเท่าที่ชื่อนานอินระยะเวลาที่แล้วมาเหล่านี้ทำไมแกไม่เคยแย้มฉันฟังแม้แต่ครั้งเดียวว่าแกเคยรู้จักนานอินมาก่อน อ, องก็ไม่เคยถามผมแม้แต่สักครั้งเดียวนะครับว่าผมรู้จักหนานอินมาก่อนหรือไม่พผานใหญ่เม้มริมฝีปากพยักหน้าช้าๆเอาละฉันเข้าใจและเพิ่งจะมารับรู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่าแท้ที่จริงน่ะแกเคยรู้จักมักคุนสนิทสนมถึงก็เคยร่วมล่าสัตว์กับหนานอินมาก่อนโดยที่ฉันเองคิดไปไม่ถึงและแกเองก็ไม่เคยบอก ทั้งๆ ท, ที่นานอิ น, นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายสําคัญที่เรากําลังจะค้นหากันแทบเลือดตากระเด็นอยู่ในขณะ น, นี้อยู่ไม่อยู่ก็เพิ่งจะมาเปิดเผยพรวดพราดขึ้นเดี๋ยวนี้เองเป็นอันว่าแกแน่ใจว่ากะโหลกหัวนี้ไม่ใช่ของหนานอินเพราะหลักฐานเกี่ยวกับฟันซี่ซึ่งจะเป็นคนพาหนานอินไปถอนด้วยตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนครับผู้กองนานอินตัวจริงถอนฟันซี่ดังกล่าวนะออกไปแล้ว มันจะโผล่งอกขึ้นมาใหม่ตามที่ปรากฏอยู่บนกระโหลกหัวนั่นจำเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นฟันกรามชุดถาวรของผู้ใหญ่ไม่ใช่ฟันน้ำนมของเด็กเป็นหลักฐานทางศิริรวิทยาและนิติเวทที่รับฟังได้นะรพินหมอดารินกล่าวโดยเร็วน้ำเสียงตื่นเต้นแต่เชิถายกมือขึ้นเดี๋ยวท่านหัวหน้าคณะขัดเสียงหนักห ขณะที่ก้าวเข้ามาประจัญหน้าเง่ใส่งใส่เหตุผลที่แกยกขึ้นมาอ้างเพื่อพิสูจน์ว่ากระโหลกนี้ไม่ใช่กระโหลกของนานอินเป็นหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดแล้วทางสรีรวิทยาแต่แกะจะมีเหตุผลให้เราเชื่อได้อย่างไงว่าแกเคยรู้จักนานอินมาก่อนเคยแม้กระทั่งนำนานอินไปถอนฟันซี่นั้นออกเพื่อนา ม, มาเป็นหลักกล่าวอ้างกับพวกเรา ในการพิสูจน์ว่าไม่ใช่แ็อาจสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เราเชื่อว่าเจ้าของกระโหลกไม่ใช่นานอินกรับใดก็ตามที่พวกเราทุกคนยังไม่มีโอกาสจะรู้มาก่อนเลยว่านานอินถอนฟั น, ฟนซี่นั้นจริงหรือไม่แง่สายยิ้มออกมานิดนึ่งศบตาอดีตท่านทูตทหารบกอย่างคาระวะระคนเคารพในไหวพริบปัญญา ผมไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผมเคยรู้จักนานอินมาก่อนครับแต่ผมมีหลักฐานในการที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลทั้งสองคือนานอินและนายชดประชากรได้ลุยข้ามน้ําผ่านเหตุมรณะจากฝั่งโน้นมาถึงฝั่งนี้ได้โดยสวัสดิภาพเท่าๆกับที่ผู้กองได้พิสูจน์ว่าสองคนนั้นได้เดินทางมาหยุดชะงักอยู่ฝั่งโน้นชั่วขณะก่อนที่จะลงน้ําพยายามจะข้ามมายัางฝั่งนี้ เราโตเถียงขัดแย้งกันอยู่เพียงสองประเด็นเท่านั้นคือสองคนนั้นมาถึงเส้นทางอันตรายนิดจริงแต่จะข้ามพ้นมาได้หรือไม่ได้เช่นนั้นไม่ใช่หรือครับผู้กองประโยคหลังเจ้าคนซ่อนคมหันไปถามพรานใหญ่ถูกต้องว่าแต่แกน่ะมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้อีกว่าสองคนนั้นผ่านมาถึงฝั่งนี้ได้คนที่เสียชีวิตไปแล้วในน้ํา ในบ่วงดักของเห็ดมรณะนั่นคงไม่สามารถยิงปืนอยู่บนฝั่งนี้ได้ไม่ใช่เหรอครับพร้อมกับกล่าวเนบเนื้แง่ายค่อยๆแบมือที่กำซ่อนหลังออกอย่างเชื่มช้าให้ทุกคนเห็นตรงหน้าหลายคนอุทานขึ้นอีกครั้งอย่างอัศจรรย์ใจวัตถุทรงกระบอกสองขนาดที่กลิ้งอยู่ในฝ่ามือของแง่ายขณะ น, นี้ชิ้นหนึ่ง คือปลอกกระสุนไรเฟิโโลจุดสี่ห้าศูนย์ไนโตรส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือปลอกกระสุนลูกซองขนาดหนึ่งสองของบริษัทคีน็อกด้วยกันทั้งคู่เมื่อฝ่ามือนั้ น, นยื่นตรงไปที่ท่านหัวหน้าคณะเชษฐาก็หยิบขึ้นมาตรวจสอบอย่างระมัดระวะังและด้วยอาการอันอนลลมานรวนเรไปหมดทั้งสมองเขาก็พบความจริงโดยไม่มีอะไรต้องเครือบแคลงเลยว่า ปลอกหนึ่งนั้นเป็นกระสุนไรเฟิลของอนุชาวาราริปและอีกปลอกเป็นกระสุนลูกซองของนานอินแน่นอนจากหลักฐานปลอกกระสุนเก่าๆที่ตามเก็บกันมาได้เป็นระยะเชษฐามไม่ทราบจะเอ่ยอะไรได้ถูกในขณะนั้นทรงเวียนปลอกกระสุนทั้งสองให้พักพวกดูและในที่สุดมันก็มาถึงระพินซึ่งพอพิจารณาได้ชัดก็เป่าลมออกมาจากปาก เหลือบสายตาขึ้นมองแง่ใส่แกเก็บสองปลอกนี่ได้ที่ไหนเมื่อไรหลังพุ่มไม้นั่นครับขณะที่ผมเดินล่วงหน้ามาถึงฝั่งนี้ใหม่ๆครับพร้อมกับพูดแง่ใสชี้มือไปยังพุ่มไม้เตี้ยๆหลังต้นอโรกาเรียที่คณะพักพวกทุกคนใช้เป็นหลักยึดสายเชือกขณะที่ฉุดเจ้าเห็ดมรณะขึ้นมา ยอมพรานหันไปพยักหน้ากับเชษฐาเป็นสัญญาณให้เดินเลี่ยงจากกลุ่มนั้นออกมาพร้อมกับเขาเพียงสองคนแล้วกระซิบว่าปลอกกระสุนของคุณชายอนุชากระนันอิงจริงๆนะครับผมค้นพบฝั่งโน้นของคุณชายเพียงคนเดียวหนึ่งปลอกทำให้สงสัยว่าคุณชายกับคนของแกจะข้ามมาฝั่งนี้ตอนที่ผมพบปลอกกระสุนนัดนั้นเชื่อเหลือเกินว่าแงทายคงไหวทันและสังเกตเห็นอยู่เหมือนกัน แต่แล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นคนมาพบทางฝั่งนี้อีกสองปลอกระหว่างคุณกับแง่ทรายเนะี่ยผมเชื่อในความสุจริตใจจริงจากคุณมากกว่าไอ้คนลึกลับนั่น น, นนะอดีตท่านทูตทหารบุกกระซิบตอเแล้วต้องไม่ลืมความจริงข้อหนะึ่งที่พวกเรารู้กันอยู่ทุกคนดีแล้ว น, ะนั่นก็คือเจ้าแง่ทรายไม่ต้องการให้การเดินทางของเราสะดุดชะงักลงเพียงแค่นี้ มันต้องการจะชักจูงหรือเหนี่ยวรังดึงพวกเราทั้งหมดไปให้ถึงเทือกเขาพระศิวะจุดหมายปลายทางของมันให้ได้มันอาจได้สนใจคำนึงถึงเลยว่าอนุชา ย, ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเราจะตามได้พบหรือไม่ยังไงแต่ที่มันต้องการก็คือเอาพวกเราทั้งหมดไปให้ถึงเทือกเขาพระศิวะซึ่งจุดประสงค์ลี้ลับของมันรอคอยอยู่ที่นั่น ผมไม่เคยลืมครับในข้อนั้นแล้วก็ระมัดระวังอยู่อย่างที่สุดแล้วที่จะไม่ให้แง่ายบิดเบือนหรือเอาพวกเราทั้งหมดเป็นเครื่องมือของมันในวัตถุประสงค์ลึกลับดังกล่าวนี้นอกจากภารกิจหน้าที่โดยตรงของเราเองเท่านั้นแต่สำหรับในกรณีนี้ผมก็ได้เรียนแล้วนะครับว่ายังไม่อาจปักใจเชื่อได้แน่ว่าคุณชายอนุชาและนานอินเสียชีวิตไปแล้ว เพียงแค่หลักฐานการพบหัวกะโหลกที่น่าสงสัยสองหัวกะโหลกกำลังจะหาทางพิสูจน์ให้แน่ชัดลงไปอีกแต่แล้วแง่ทายก็แสดงหลักฐานที่ทําให้ผมต้องลังเลมากขึ้นทุกทีการกล่าวอ้างว่ารู้จักนันอินมาก่อนและนันอินควรมีตําหนิที่ฟันกรามซี่ที่สองด้านล่างด้านซ้ายล่างหักนั้นผมก็คิดอย่างเดียวกับคุณชยัยคือไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเชื่อได้ เพราะมันจะปั้นเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาเองยังไงก็ได้แต่การที่มันมาพบปล อ, อกกระสุนอีกสองปล อ, อกทางฝั่งนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้ชัดพอสมควรทีเดียวทั้งสองคนไม่ได้ตายอยู่กลางดอกเห็ดที่เราสงสัยแต่แรกเชษฐาเต็มไปได้วยความคิดหนักก็แล้วถ้างั้นกะโหลกสองหัวที่เราพบนั้นจะเป็นกะโหลกของใครอื่นไปได้ในเมื่อน้อยเองซึ่งชํานาญทางนี้โดยตรง ก็ยืนยันออกมาแล้วว่าตายมาแล้วประมาณสองปีลักษณะของกระโหลกก็แสดงถึงวัยและเผ่าพันธุ์ของเจ้าของเดิมซึ่งใกล้เคียงกับอนุชาและนานอินที่สุดข้อนี้สิครับมันทำให้เรางงลังเลลำบากใจไปหมดเขาเว้นระยะไปอึดใจก็กล่าวว่าลองหารือคุณหญิงดูอีกทีเป็นไงครับสำหรับกระโหลกที่เราสงสัยว่าจะเป็นนานอินน่ะ ผ้นปัญหาไปเถอะมาตรวจสอบกันนให้แน่อีกทีนึงเกี่ยวกับกระโหลกที่เราสงสัยว่าเป็นของคุณชายอนุชาคุณหญิงน่นนอกจากจะชำนาญในการพิสูจน์โครงกระดูกโดยเฉพาะแล้วความคุ้นเคยในฐานะที่คุณชายอนุชาเป็นพี่ชายถ้าหากเราเสนอแนะให้แนวทางเธอเธออาจนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างเกี่ยวกับตาหนิพอที่จะลงความเห็นได้แน่นอนขึ้นอีกก็ได้แม้จะเป็นเพียงกะโหลกก็ตาม เมี้ายพูดถึงฟันของหนานอินก็ทำให้ผมคิดถึงเรื่องฟันขึ้นมาได้ลองถามคุณหญิงดูสิครับว่าคุณชายอนุชาน่ะเคยมีประวัติในการทำฟันไว้บ้างหรือเปล่าเป็นต้นว่าถอนอุดหรืยใส่ฟันปลอมไว้ยังตำแหน่งซี่ใดบ้างหรือไม่เชิดถาก็หันกลับไปร้องเรียกน้องสาวกับชายยันและมาเรียให้เข้ามารวมกลุ่มในทันทีนั้น โดยออกคำสั่งให้แงซรายยืนคอยอยู่ที่เดิมก่อนภายหลังได้รับการอธิบายจากพี่ชายให้ทราบถึงความต้องการของระพินนักมนุษยวิทยาสาวนิ่งไปครู่หนึง่งแต่แล้วก็สัส่นศีรษะอย่างหมดหวังยากมากในข้อที่คุณต้องการให้พิสูจน์ในข้อนั้นเพราะฉันก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะว่าพี่กลางจะมีข้อตำหนิอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องฝัน เท่าที่รู้นะเขาก็เป็นคนมีสุขภาพในด้านฟันดีมากนะไม่เคยปรากฏว่าถอนอุดหรือตกแต่งฟันยังไงเลยและสะภาพของฟันในกระโหลกสีษะนั่นก็ไม่มีรอยชำรุดเช่นกันฉันก็คิดอยู่เหมือนกันนะตอนที่ได้ยินแงซายเอ่ยถึงฟันกรามซี่ที่ถูกถอนของนานอินโดยหยิบยกออกมาเป็นข้อพิสูจน์คิดว่าโดยหลักเดียวกันนี้ฉันพอจะมีทางตรวจอีกกะโหลกหนึ่งได้บ้างไหม แต่ก็ยังปรากฏว่ามันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยถ้าพี่กลางมีหลักฐานของฟันที่ชารุดและตกแต่งโดยฉันรู้มาบ้างก็คงจะง่ายขึ้นแต่นี่ไม่มีนอกจากสันฐานจากขากันไกรที่กว้างและลักษณะกระโหลกตอนหน้าผากที่ลาดเท่านั้นซึ่งบอกได้ว่าละไม้มากถ้าเราอยู่ในเมืองท่ามกลางเครื่องมือเครื่องไม้ครบถ้วนการพิสูจน์กระโหลกก็จะทาได้ง่ายขึ้น ด้วยเทคนิคของการถ่ายภาพเชิงซ้อนอันเป็นหลักสูตรทางนิติเวชวิทยาว่าจะใช่พี่กลางหรือไม่สามารถบอกได้ชัดถึงกว่าเก้าสิบเปอร์เซนทีเดียวภาพถ่ายเชิงซ้อนยังไงเหรอมารีถามอย่างสงสัยก็คือเราจะเอากัะโหลกที่สงสัยนี่นะถ่ายลงฟิล์มขยายส่วนสัตว์ให้ได้ขนาดเดียวกับภาพถ่ายใบหน้าตรงของผู้ต้องสงสัย และซ้อนภาพกะโหลกลงซ้อนทับกับภาพในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นตรวจสอบหาความกลมกลืนหรือขัดแย้งแตกต่างซึ่งจะเห็นออกไปได้ถ้าเป็นกะโหลกของผู้ที่สงสัยจริงภาพของกะโหลกนั้นจะซ้อนทับอยู่ในภาพใบหน้าซึ่งถ่ายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างสนิทถ้าไม่ใช่ก็จะพบส่วนที่ขัดแย้งไม่กลมกลืนขึ้นกับทรงใบหน้านั้น ภายหลังจากวัดอัตราส่วนโดยละเอียดไอซี่แต่มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เลยในการที่เราจะต้องเก็บข้อสงสัยทั้งมวลไว้โดยการหอบเอากะโหลกหัวนี้เดินทางกลับไปเพื่อการพิสูจน์โดยทฤษฎีของการถ่ายภาพเชิงซ้อนอย่างเธอว่าถึงยังไงเราจะต้องหาทางรู้ให้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แหละว่าชพี่ชายของเธอและพรานนาทางของเขาหรือเปล่า เพื่อการตัดสินว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือจะถอยกลับแน่นอนเราจะต้องรู้ให้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แหละไม่งั้นเราตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินหน้าหรือกลับหลังหันชัยยันว่าไพาวันคุณคิดยังไงเกี่ยวกับปลอกกระสุนสองปลอกที่แงซสายอ้างว่าเก็บได้ที่ฝั่งเนี่ยเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่จะต้องใคร่ครวญกันให้รอบคอบที่สุดเลยนะ แม่สาวหันมาถามระพินถ้าแงซัยมาพบปลอกกระสุนทั้งสองปลอกนั่นทางฝั่งนี้จริงมันก็หมายถึงว่าทั้งสองคนนะ่ะไม่ได้ตายอยู่ในดอกเห็ดมรณะกลางน้ำนั่นแน่นอนถ้างั้นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแง่ไซพบปลอกกระสุนสองปลอกนั้นทางฝั่งนี้จริงหรือไม่เท่านั้นใช่ไหมก็ควรจะเป็นเช่นนั้นที่นี้ในบรรดาพวกเรา ใครเห็นแง่ทายเก็บปลอกกระสุนได้ทางฝั่งนี้บ้างเห็นในขณะที่ก้มลงเก็บอะ่ะมารยาโปรยถามไปยังทุกคนข้อนี้วินิจฉัยได้ยากมากนะผู้ตอบอย่างรอบคอบคือเชิดถาระพินค้นพบปลอกแรกทางฝั่งโน้นและลอบเก็บเอาไว้โดยยังไม่บอกให้พวกเรารู้พวกเราทุกคนก็ยังไม่อาจจับระแคะระคา ย, าคายและรู้เห็นได้ เพราะไม่คาดคิดสนใจคอยจับมองอยู่ถึงแทรายก็เช่นกันเมื่อมาถึงฝั่งนี้แล้วและพบปลอกกระสุนตลอดจนเก็บเอาไว้พวกเราก็ย่อมจะไม่มีโอกาสมองเห็นชยันมีอาการเหมือนเพิ่งจะเกิดความคิดอะไรขึ้นมาได้เดี๋ยวเชิดาตลอดเวลาที่เราพบร่องรอยของทั้งสองคนนั่นมาเป็นลำดับเกี่ยวกับปลอกกระสุนที่เก็บมาได้เป็นระยะ ฉันเห็นแกเป็นคนเก็บรักษาปลอกกระสุนเหล่านั้นไว้เพียงคนเดียวเป็นหลักฐานนะแล้วพอจะจําได้ไหมว่าในบรรดาปลอกกระสุนที่เก็บรวบรวมไว้ได้ทั้งหมดนะ่ะมีอยู่แลกกี่ปลอกจําได้ทําไมเหรอชัยันตาลุกดีดนิ้วโดยแรงเอาละ่ะค้นเอาปลอกกระสุนของอนุชาและหนานอินที่เราเคยเก็บได้เหล่านั้นมานับซิแล้วตรวจสอบจํานวนอีกทีว่ามันยังอยู่ครบจํานวนเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้ามันขาดหายไปก็แปลว่าเจ้าเงซสายแอบขโมยมาจากที่แกเก็บรักษาไว้เพื่อสำหรับมาแหกตาหลอกเราเพื่อประกอบหลักฐานอ้างอิงแต่ถ้ามันอยู่ตรงตามจำนวนครบถ้วนก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกหมายถึงว่ามันเพิ่งจะเก็บได้ใหม่ทางฝั่งนี้จริงซึ่งนั่นก็แปลว่าทั้งอนุชาและนานอินไม่ได้เสียชีวิตลงในระหว่างลุยน้าข้ามมาฝั่งนี้เชิฐาชนกทริตาคิด แล้วก็เห็นจริงด้วยกับคำแนะนำของชัยยันนั้นรีบเดินตรงไปยังกองสัมภาระที่ทอทิ้งรวมกันอยู่บริเวณหนึ่งคนย่ำหลังส่วนตัวของเขาโดยเร็วโดยมีคณะพักพวกทุกคนตามเข้ามามุงดูอยู่ด้วยอิดใจเดียวเขาก็หยิบกล่องซึ่งบรรจุปลอกกระสุนของบุคคลสาบศูนย์ทั้งคู่ซึ่งเก็บได้มาโดยลำดับเหล่านั้นออกมาเปิดนับดูแลวร้องออกมาเบาๆว่าอยู่ครบหมดทุก ป, ปลอก ชัยันลืมตากว้างตาเริ่มศาสต ร, ร์ประกายความหวังขึ้นในทันใดร้องเร็วหรือแน่ใจหรือเชษฐาตรวูดูอีกทีสิครบแน่นอนท่านหัวหน้าคณะตอบหนักแน่ภายหลังจากนับอีกครั้งถ้า ง, งั้นก็เห็นจะจริงของแง่สายซะแล้วละระพินอนุชากนันอินข้ามาถึงฝั่งนี้ได้พร้อมกับมีเรื่องที่จะต้องยิงอะไรอีกด้วยจากหลักฐานกระสุนสองนัด ที่แง่สายเก็บปลอกได้นั่นชายันพูดอย่างปิติยินดีซึ่งเกิดขึ้นจนแทบระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้ในความผันแปรไปในด้านดีงามชนิดใหม่ที่คนพบนั้นดารินกมารียหันมามองหน้ากันแล้วกำมือแน่นส่วนแานใหญ่รีตาลงนิดนึงรับออกมาแผ่วต่ำว่าพวกเราทุกคนเข้าใจผิดกันไปหมดมีแงสายคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจได้ถูกต้อง และอย่างน้อยในผลของการพิสูจน์ครั้งนี้ก็เป็นข่าวโมคลสสาหรับเราในข้อที่ว่าคนตายทั้งสองคนไม่ใช่คนที่เรากำลังติดตามหาตัวปล่เาเพียงแค่นั้นเขาก็เดินตรงมาที่แง่ทายผู้ยังยืนสงบนิ่งอยู่ที่เดิมตามลําพังทอดตาแลจับอยู่ที่กระโหลกมนุษย์ทั้งสองหัวนั้นเหมือนจะเข้าพวังแงไทราย พาฉันไปดูตรงที่แกเก็บปลอกกระสุนได้หน่อยสิแงาสายไม่พูดอะไรหมุนตัวกลับออกเดินนำหน้าไปด้วยอาการเยือกเย็นมาหยุดอยู่ที่พงไม้เตีย๋หลังต้นไม้ใหญ่ที่สายเชือกของคณะทั้งหมดยังพ่านค้างอยู่แลชี้ลงไปยังบริเวณพื้นแทนคำตอรบระพินก้มลงสำรวจอย่างถี่ท้วนพบร่องรอยของการแหวกคนและเหยียบย่าพงไม้บริเวณนั้นไว้ใหม่ๆ ซึ่งก็คงเป็นรอยของแง่ทรายขณะที่บุกเข้ามานั่นเองจอมพรานกว่าตาตรวจไปรอบด้านแลวเดินแหวกพงตัดไปทางด้านหลังของต้นไม้ใหญ่นั้นเพียงชั่วไม่กี่ก้าวเขาก็พบโครงกระดูก ข, ของสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะน่าจะเป็นสัตว์ประเภทสมเสร็จขนาดใหญ่กองขาวโพลนอยู่มีหน้ำซ้ำบริเวณที่รากไม้พลูขึ้นมาห่างออกไปไม่มากนักยังมีเศษดืนไม้ มีลักษณะเป็นท่อนฟืนที่ถูกไฟกินจนกุดสั้นอีกห้าหกท่อนทิ้งกองอยู่บอกให้ทราบชัดว่าเป็นไฟก่อเพื่อย่างเนื้อหรือมิฉะนั้นก็พักแรบหลักฐานที่คนพบใหม่นี้มันชัดเจนซะยิ่งกว่าปลอกกระสุนปืนซะอีกขนาดนั้นคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดยังไม่มีใครเดินตามเข้ามาด้วยคงมีแต่เขาและแง่ทายเพียงสองคนซึ่งเดินเคียงใกล้กันมาเท่านั้น จอมพเนจรชม้ตาคมปราบจับอยู่ที่เขาตลอดเวลาเหมือนจะสำรวจความรู้สึกภายในของระพินด้วยผมเสียใจครับผู้กองถ้าหากบางอื่นว่าข้อพิสูจน์ของผมมันเป็นตรงข้ามกับความต้องการของผู้กองสมเนียงเสียงนั้นจับกระแสะความไม่ได้ว่ายอกยันหรือกล่าวออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจแต่คนพูดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ท่อม และสํารวมแววตาคู่นั้นเท่าที่เห็นก็ดูเหมือนว่าเกรงใจเขาอยู่ในทีจอมพรานยิ้มแค่นแค น, นี่แกคงนึกสินะว่าตลอดเวลาฉันคิดแช่งชักหักกระดูให้คนสาบสูญสองคนนะ่ะตายซะรู้แล้วรู้รอดเพื่อจะได้หมดภาระหน้าที่อันยากเย็นนี้เสีทีละกระมังผมไม่เคยคิดนะครับว่าผู้กองจะใจแคบและเห็นแกตัวถึงเพียงนั้น แต่ผู้กองก็อาจคิดอยู่ตลอดเวลาเช่นกันว่าผมหาทางที่จะชักจูงเจ้านายและพวกเราทั้งหมดให้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปโดยไม่จำเป็นถึงยังไงความจริงมันก็หนีความจริงไปไม่พ้นหรอกแง่ทา ย, ายฉันน่ะไม่ได้ขมิบหน้าหรือว่าคุนเครืองอะไรแกเลยสักนิดเดียวในกรณีที่แกสามารถหาทางพิสูจน์ออกมาได้ว่าสองคนนั่นน่ะไม่ได้ตายในเหตุมรณะอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปักใจ การพิสูจน์ออกมาได้เช่นนั้นแน่ละมันจะต้องเป็นส่วนดีอย่างมากมายในความรู้สึกของเจ้านายของเราทุกคนเพราะเขาคงไม่ต้องการให้น้องชายพี่ชายหรือเพื่อนของเขาตายลงซะ ก, ก่อนหรอกถึงฉันเองตอนที่พบหัวกะโหลกสองหัวในเห็ดมรณะฉันก็ไม่ได้ยืนยันกับพวกเราว่าจะต้องเป็นกระโหลกของคนสองคนนั่นแน่นอนเพียงแต่ฉันมีหลักฐานในข้อสงสัยฉันก็แสดงให้พวกเขาเห็น แล้ววินิจชัยเอาเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามฉันก็มีความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่ว่าแกจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นความจริงอะไรครับก็ความจริงในข้อที่ว่าแะมองเห็นแล้วว่าคณะเจ้านายของเรากำลังเปลี่ยนความตั้งใจเดิมที่จะบายนาต่ะแกจึงจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นว่าคนที่เขาต้องการติดตามนั้น ยังมีชีวิตอยู่เพื่อผลักให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปอันเป็นผลประโยชน์ร่วมของแกงไงแงสายยิ้มครั้งนี้แลดูสุภาพอ่อนโยนอย่างประหลาดความจริงผมควรหุบปากนิ่งซะบอกให้ผู้กองต้องเหนื่อยยากในการเดินกลับลงไปในน้ำนั่นเพื่องมหาปืนและสัมภาระติดตัวของคนต้องสงสัยทั้งสองซะก่อนแล้วค่อยมาอ้าปากเปิดเผยทีหลังะ่ะ นายชดละหนานอินข้ามาถึงฝั่งนี้ได้โดยปลอดภัยอย่างนั้นเหรอครับพรานใหญ่อึ้งแงซายกล่าวเสียงเบาพอได้ยินกันเฉพาะสองต่อสองต่อไปอีกประการหนึ่งผมได้ยินชัดอยู่ทั้งสองหูแล้วผู้กองไม่ได้พูดหรือแสดงอาการใดที่จะโน้มน้าวให้คณะเจ้านายทั้งหมดหมดกำลังใจและเดินทางกลับเลยตรงข้าม ผู้กองยังมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะกระตุ้นเตือนพวกเขาให้เดินทางต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะซึ่งนั่นหมายถึงน้ำใจอันหนักแน่นมั่นคงกล้าหาญปราสะจากความท้อถอยหรือเห็นแก่ตัวของผู้กองก็เมื่อเห็นชัดในน้ำใจของผู้กองแล้วเช่นนั้นผมก็แน่ใจว่าการที่ผมจะหาหลักฐานมายืนยันว่าคนสาบสูญทั้งสองแท้จริงนั้นยังมีชีวิตอยู่ คงไม่มีอะไรขัดกับจุดประสงค์ของผู้กองระพินหัวเราะฝึดๆแกนี่ฉลาดพูดเหลือเกินนะวาจาคารมนะมันช่างแพ ร, ว, พรวไปสมดรอบตัวทีเดียวก็แล้วถ้าเช่นนั้นทำไมแกไม่ห้ามฉันชัแต่แรกละ่ะได้บอกความจริงว่าแกมาพบหลักฐานปลอกกระสุนสองปลอกทางฝันน่งนี้ดันต่อยให้ฉันต้องเสี่ยงเอาตัวเข้าไปล่อไอเหตุมหาการนั่นเพื่อจะฉุดถอนมันขึ้นมาทำใหม่ ยืนมองดูฉันถูกมันหุบรัดและจะลากลงไปเป็นเหยื่อ ย, ยังเลือดเย็นที่สุดกว่าจะลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือลงไปก็ต่อเมื่อฉันเกือบตายโหงตายห่าแล้วผู้กองครับโปรดฟังผมด้วยความไตรตรองสักนิดนะครับประการแรกนะครับในขณะที่ผู้กองเจตนามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะฉุดถอนเหตุมรณะนั้นขึ้นมาให้ได้ ผมไม่ทราบวัตถุประสงค์อันแท้จริงของผู้กองเลยนะครับว่าจะถอนมันขึ้นมาเพื่ออะไรนอกจากจะคิดว่าผู้กองต้องการดูมันให้เห็นชัดเท่านั้นว่ามันหุบรัฐหรือกินสัตว์ได้ยังไงผู้กองไม่ได้บอกว่าเกิดความสงสัยว่าสองคนนั้นอาจลงไปเสียชีวิตอยู่ในเหตุมรณะดอกใดดอกหนึ่งซึ่งถ้าบอกผมจะเช่นนี้ผมยังนิ่งไว้ไม่เตือนห้ามผู้กองซะนันถึงจะนับว่าเป็นความผิดของผม จิิงไหมครับข้อนี้พรานใหญย่ยืนอึ้งไปอีกครั้งแงสายยิ้มพลายกม้มศีรษะให้เขานิดนึงเปล่าต่อไปว่าประการที่สองนะครับขณะที่เราตกลงสัญญากันไว้แล้วว่าจะลงไปถอนมันขึ้นมาโดยมีผมกับผู้กองเสี่ยงร่วมกันเพียงสองคนถ้าผมจะขันอาสาเข้าไปเหยียบล่อไอเห็ดนั่นให้มันรัดตัวผม โดยให้ผู้กองยืนคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องนอกมันก็จะเป็นการหักหน้าผู้กองเกินไปเพราะผมเป็นแต่เพียงลูกน้องส่วนผู้กองน่ะเป็นหัวหน้าผมน่ะไม่รังเกียจหรือขาดกลัวเลยในการที่จะเสี่ยงแทนให้แก่ผู้กองเดีย๋ยวว่าแต่แค่นี้เลยครับยิ่งวันนี้อีกร้อยเท่าผมก็พร้อมเสมอแต่เหตุการณ์ทั้งหลายนะ่ะมันเกิดขึ้นตอนหน้าคณะเจ้านายของเราทุกคนผมไม่อยากให้ฝ่ายเจ้านาย และคนของผู้กองเองคายความศรัทธาในตัวผู้กองลงยิ่งให้เกียรติในการเสี่ยงอย่างกล้าหาญที่สุดนี้แก่ผู้กองเสียแงซายนะขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ะพินไพรวันจะต้องกล้าหาญและเป็นผู้นําที่ไว้วางใจได้เสมอจริงอีกไหมครับในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งที่คน น, คนําสกุลไพรวันร้องตะโกนอยู่ในใจว่า ฟ้าให้รบพินมาเกิดแล้วฉันไหนจึงให้แงาสายมาเกิดอีกและเขาก็ได้แต่ยืนนิ่งด้วยอับจนต่อถ้อยคำที่แย้งไม่ขึ้นไอคนเจ้าเล่จอมปัญญาซึ่งฝังซ่อนลึกซึ้งอยู่ในคราบของคนดงรายคารมชนิดที่เสียดแทงความรู้สึกอย่างสุภาพนิ่มนวลมาอีกเมื่อตระหนักแล้วว่าเขากำลังจำใจต้องฝัง ประ ก, การสุดท้ายนะครับผู้กองว่ากันถึงเรื่องที่ผู้กองหรือใครๆบนฝั่งอาจเห็นว่าผมเชื่องช้าไปในขณะที่เกิดนาทีวิกฤตขึ้นกับชีวิตผู้กองตอนที่เหตุมันหุบรัดผู้กองไว้ข้อนี้ต้องหววคิดไปถึงคำสั่งของผู้กองเองซึ่งผมมีหน้าที่ในการรับปฏิบัติด้วยคือผู้กองสั่งผมว่าให้เตรียมทาบวงไว้ถือให้พร้อมในมือทันทีที่มันหุบรัดผู้กอง ให้ผมเอาบ่วงนั้นคล้องจากยอดดอกลงไปให้ถึงโคนดอกผู้กองอาจลืมคิดไปนะครับและผมหรือใครใคก็ลืมคิดยนไม่มีการทักท้วงกันซะก่อนว่าวิธีการเช่นนั้นน่ะไม่ถูกต้องดอกเห็ดหุบรัดตัวผู้กองไว้กำลังจะสูบลงเบื้องล่างสายเชือกที่มัดโยงเอวผู้กองไว้จากพักพวกข้างบนก็จะช่วยกันดึงรั้งต่อต้านไว้ แล้วบ่วงที่แงซ า, ายถือเตรียมพร้อมอยู่จะสวมคล้องดอกที่หุบของมันลงไปถึงโคนดอกได้ยังไงมันก็จะต้องไปติดคาอยู่กับสายเชือกที่มัดเอวรั้งดึงของผู้กองจักพวกบนฝันผู้กองครับผมมองเห็นความจริงในข้อนี้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นให้เห็นเฉพาะหน้าแล้วเท่านั้นระยะเวลาที่ผมแก้บ่วงที่ทําไว้โดยคาสั่งผู้กองนี้ออกและเอาสายเชือกไปผูกมัดโคนดอกมัน ซึ่งเป็นแผนที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี่แหละครับทําให้ทุกคนมองเห็นว่าทำไมแง่ทรายถึงได้เชื่องช้านักความจริงไม่ได้ช้าเลยนะครับแต่เหตุการณ์มันทําให้ต้องเสียเวลาไปต่างหากเคลียไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนี่รพินไพรวันถอนหายใจลึกแล้วยักหน้าช้าๆเอาหลังมือตบที่แผงอกของแง่ทรายหนักๆพร้อมกับกล่าวเรียบๆว่า เกมนี้แกเฉือนฉันยังขาวสะอาดที่สุดแง่ใส่ทั้งๆที่ฉันก็ระวังแกอยู่ทุกขณะจิตแล้วเอาเถอะอย่าให้เป็นทีของฉันบ้างก็แล้วกันเจ้าคนร้อยเลข